สุขสองคือหนึ่งกายยิ่สุขคือสุขทางกายสองเจตสิกสุขคือสุขทางใจประการแรกขอให้ท่านทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่าสุขเสียก่อนอคำว่าสุขหรือว่าสุขะขในที่นี้ก็ได้แก่ความสะดวกความสบายเป็นอารมณ์ฝ่ายดี ที่สัตว์ทั้งหลายทุกจาพวกปรารถนายิ่งนักน่ะปรารถนายิ่งนักอันนี้แน่นอนที่สุดเราทุกคนที่เกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องการความสุขน่ะต้องการความสุขทีนี้ความสุขนี่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะความสุขนี่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรความสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นจากการกระทำน่ะทางกายและก็ทางใจ นะสองอย่างควบคู่กันไม่ใช่อยู่ลอยๆก็จะเกิดขึ้นนะมันจะต้องเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคําว่าสุข ก, ก็คือได้แก่ความสบายไม่เดือดร้อนน ะ, ะเราทุกคนรักสุขแล้วก็เกลียดทุกนะแม้แต่พวกาสัตว์ตนฐานมันก็รักสุขเกลียดทุกอีกเหมือนกันนะฉะนั้นอท่านเจงจําแนกออกไว้เป็นสองประการก็คือหนึ่งกายยิ่งสุขนะกายยิ่งสุข ก, ก็คือสุขทางกาย คามสุขทางกายในที่นี้หมายเอาความสบายอันเกิดจากร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะะและปราศจากอันตรายที่จะถูกเบียดเบียนหรือประหัตประหารด้วยศาสตราวุธต่างๆเป็นต้นหรืออวัยวะทุกส่วนของเราไม่พิกลพิการประกอบการงานได้ตามหน้าที่อีกอย่างหนึ่งร่างกายที่ไม่ตรากตําทางานจนเหลือเกิน หรือว่าจนเกินพอดีร่างกายไม่บอบชำ้ำตราตราแดดตรำฝนจนเกินไปอาการเหล่านี้เรียกว่ากายิกสุขคือสุขทางกายอันนี้แหละขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายลองลอ ง, ลองคิดดูว่ามันเป็นจริงยังที่พูดไหมพระพุทธองค์ก็เลยจัดไว้เลยว่าอารคยาปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาบอันเตเสริฐเป็นลาบอย่างยอดยิ่ยมนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาความไม่มีโรคถ้าหากจะมีคําถามว่าเขาจะตั้งให้เราเป็นใหญ่นะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ให้เรานั้นเป็นโรคสารพัดโรคเป็นโรคปวดหัวปวดท้องเป็นโรคประสาทนะเราจะเอาไหม อันนี้เราก็ไม่เอานะมันไม่มีความสุขอะไรสู้เราเป็นคนธรรมดาไม่มีโรคภัยดีกว่านะนะไม่มีโรคภัยดีกว่าฉะนั้นมหมายความเป็นโรคนี้รู้สึกว่าร่างกายของเรานี้มันบอบช้าเหลือเกินพูดให้ง่ายก็คือว่าเป็นร่างกายที่ไม่ควรแก่การงานซ้ำร้ายก็ถือว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจแก่สังคมอีกด้วยนะ บางครั้งเราจะเห็นว่าบางคนก็ที่เป็นโรคติดต่อต่างๆที่เราไปนั่งขอทานแหมดูแล้วมันก็หน้าผู้เลทผูรังนะแล้วก็หน้าสงสารหน้าสังเวชใจน่าเห็นใจอะไรควบคู่กันไปทางนั้นแหละนะก็ทุกคนก็ไม่ไม่ปรารถนาจะให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่บุญกรรมของใครได้ทํามาอย่างไรนะอันนี้เราต้องยอมรับว่าเราทํามาอย่างไรเราก็ต้องได้อย่างนั้นนะต้องได้อย่างนั้นฉะนั้น นี่แหละจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราทุกคนไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บคนนั้นเป็นบุญเหลือเกินนะไปเห็นถ่าจะไม่มีนะจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าอ่านตำรับตำรามาเห็นมีอยู่องค์เดียวนะมีพระเทระองหนึ่งนะชื่อพระนาลกะัยนะถ้าจําไม่ผิดขอประทานโทษนเะพอชื่อพระนาลกะองค์องนี้รู้สึกว่าไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียน ไม่มีเลยในะชีวิตตลอดชีวิตก็ปรากฏว่ามีพวกพระภิกษุไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้บอกว่าที่พระนาระกะไม่ที่พระเถระองนี้ไม่มีโรคนะเพราะว่าเมื่ออาชาติก่อนนั้นได้เคยถวายายานะถวายพวกเภสัชต่างๆหยกยาต่างๆให้กับพระสงฆ์องค์เนรแล้วก็ให้กับช่วยเหลือให้กับคนทั่วไป และยิ่งไปกว่า น, นั้นก็ยังได้สร้างส่วมสร้างห้องน้ำนี่สร้างซ้วมสร้างห้องน้ำอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นจึงทำให้เกิดมาในอีกชาติหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นที่น่าคิดสำหรับชาวพุทธของเรามากนะคือเราทุกคนก็จะเห็นว่าบางคนก็ทำบุญก็ถวายยานะถวายพวกยาต่างๆ แก่ปวดท้องปวดหัวปวดฟันอะไรเนี่ยเยอะนะอันนี้ดีมากแล้วมีอีกข้อหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างส่วมบางคนไม่กล้าไม่กล้าจะไปสร้างรู้สึกว่ามันต่ํานะมันเป็นของต่ำตัดนะไปสร้างแล้วกูว่าจะเหม็นมันส่วมอย่างนั้นนมั้งนะอาจจะไปนึกว่าเดี๋ยวไปสร้างซ่วมแล้วเกิดมาจะต้องเหม็นเหมือนซ่วมอาจจะไปคิดอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้คิดในอีกแง่หนึ่งคือท่านลองนึกดูสิว่า คนเราถ้าหากว่าถ้ามันไม่มีที่ขับถ่ายนี่มันจะเป็นยังไงมันทุกมากนะมันทุกมากมันเดูดร้อนมากอะไรมันจะมาทุกมากไอตอนที่เราจะเข้าส้วมถ้ามันไม่มีส้วมเข้านี่มันทุกหลวงเกินฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าไปบรรเทาทุกไปปลดทุกไปเรื่องทุกนถ้ามันออกจะได้แล้วมันล่องมันสบายใจแล้วกินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ออกมันก็เป็นทุกไอออกมากเกินไปก็เป็นทุกนะมันเป็นทุกทางนั้น ฉะนั้นทั้งสองอย่างนี่จะต้องให้พอดีกันนะจะต้องให้พอดีกันมันจึงจะอพอมันจึงจะดีนะจึงจะดีฉะนั้นก็ผู้ใดได้สร้างซ่วมไว้ก็จะได้มีอนิสง์มากก็คือไม่มีทุกว่างั้นเถอะไม่มีทุกไม่เกิดทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนะอันนี้ก็ขอชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบาโดยทั่วกันแล้วก็ เราทุกคนไม่ไม่ปรารถนาที่จะให้อันตรายที่เกิดจากการเบียดเบียนกันประหัดประหารการดุสัตวตราวุธต่างๆเพราะการที่เรามาฆ่ากันมาแทงกันมายิงกันนี่รู้สึกว่าดูแล้วมันมันไม่ใช่ไม่ใช่งโง่มนุษย์แต่ว่ามันไม่ต่างอะไรกับพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันโง่มันไม่มีสติปัญญาจะทําอะไรมันก็มีการกัดกันประหัดประหารกันเบียดเบียนกันแข่งแย่งกันเพราฉะนั้นเราเป็น มนุษย์นี้เป็นผู้มีจิตใจสูงจะต้องมีเหตุมีผลจะต้องรู้จักยับยัง้งขั่นใจจะต้องรู้จักเสียสละมีความอดทนแล้วก็รู้จักการให้อภัยมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะรฉะนั้นสุขจะเกิดในทางกายขึ้นได้ก็ต้องเป็นต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นพูดโดย หลักแพทย์ง่ายๆนะพูดง่ายๆก็ให้เราทุกคนนั้นเจริญด้วยหลัก5อนะให้ปฏิบัติตามหลัก5ออที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาหารเราจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วอาหารนั้นจะต้องครบหมู่นะต้องครบหมู่ ต้องเป็นสัดเป็นส่วนต้องมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งมีน้ำตาลมีไขมันมามีกลวแรกน้ำอะไรนี่จะต้องมีให้พอดีกันนะอ่าต้องมีไขมีผักดิบไว้นี่แต่อันนี้มันพูดตามภาษาคนทั่วไปยิ่งชาวบ้านเนก็เห็นท่าจะยากนะยากมากกินตามมีตามได้นะแล้วก็ ไม่ได้มานึกหรอกว่าอันนี้มันมีวิตามินอะไรนะอันนี้เป็นโปรตีนอันนี้เป็นแป้งนี่เป็นไขมันเกลนนแรดธาตุอะไรต่างๆนอกเราก็ไม่ได้คำนึงถึงก็กินผักนางกวางหญกานะกินไปตามมีตามได้อ่ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกผักกินนี่ฉะนั้นเรื่องอาหารนี่จึงเป็นสิ่งสําคัญในทางแพทย์เขาถือว่าถ้าเรารับทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายอาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่ไม่ย่อยยากต้องย่อยง่าย และอาหารนั้นต้องถูกสุขลักษณะก็าหมายถึงว่าเป็นลักษณะที่ไม่มีโรคไม่โบดไม่เน่านไม่บูดไม่นเน่าอาหารบางอย่างถึงแม้ว่าจะอร่อยแต่ว่าเรารับประทานไปแล้วมันย่อยยากมันก็ไม่เกิดปร ะ, รย ะ, ประโยชน์กับร่างกายนไม่เกิดประโยชน์กับร่างกายอาหารบางอย่าง เ, าเราบริโภคไปแม้ว่าจะไม่อร่อยแต่ว่ามันก็มีประโยชน์กับร่างกายมีประโยชน์กับร่างกาย ฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะน่าคิดมากฉะนั้นทุกวันนี้ทางแพทย์เขาบอกว่าที่คนเราเป็นโรคมากก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารเกี่ยวกับเรื่องอลำไส้นะโรคในลำไส้มากที่สุดเลยนะมากที่สุดแล้วเราก็ลองมาพิจารณาในครอบครัวของเราตัวของเราเนี่ยโรคอะไรมันมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับโรคลำไส้ตั้งแต่ ช่องปากลงไปเนี่ยที่ทางเดินอาหารที่ขนสินคา้าเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติตั้งแต่ปาแฟ่ฟันแต่ลําคอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารข้างๆาเกิดการบาวชเน่ากินมากเกินไปก็ทํำให้ถดัดามาผิดปกติน้อยเกินไปก็ผิดปกติกินอาหารที่บวชที่เน่าก็ผิดปกติกินอาหารไม่ถูกสัดส่วนก็ผิดปกติอาหารน้อยก็กลายเป็นโรคขาดอาหาร กินบ่อยๆเขาก็กลายเป็นโรคอ้วนเออบางคนก็กลายเป็นโรคลําไส้ต่างๆนาน า, นาสารพัดหรือบางคนหนักเข้าไปอีกก็คือกินของที่มันมีพิษเช่นพวกเดิมซูร า, าพวกเดิมสูราหรือพวกเดิมเบียอะไรพวกนี้อสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยมากนะเป็นโรคมากสารพัดโรคสับปทุกสับปโศกสัพปโรคสับปะพายอะไรอย่างนี้นะทุกมากฉะนั้น อันนี้แหละถ้าหากว่าเรารู้จักบริโภคอาหาราให้พอเหมาะพอควรเรียกว่าโภชเนมัตตัญยุตานะเรียกว่ารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารก็จะทําให้เรานะั้นลดโรคอนะลดโรคนะทําให้ไอ้ไม่มีเลยมันคงจะเป็นไปไม่ได้ต้องมีแน่แต่ว่าทําให้น้อยอนะทําให้น้อยลงนะทําให้น้อยลงจะได้ไม่ต้องไป หาหมอบ่อยๆก็ต้องไม่ต้องไปตัดลำไส้นะบางคนต้องไปตัดลำไส้อ่าบางคนก็ต้องไปผ่าเหงือกผ่าฟันผ่าลำคออะไรกันให้ยุ่งไปหมดเลยนะยุ่งไปหมดเพราะฉะนั้นจึงว่าเรื่องอาหารนี่สําคัญขอให้เราไขข้อควรสักหน่อยอาหารข้อสําคัญที่สุดก็คือให้สะอาดนะให้สะอาดอข้อนี้เป็นเป็นเป้าหมายอันจริงใหญ่ถ้าเมื่ อ, ออาหารสะอาดแล้วแล้วก็ ถ้าเป็นอาหารร้นรอนๆสักนิดหน่อยก็จะดีนะจะดีมีการผ่านการฆ่าเชือ้อนะฆ่าเชื้อเสียได้ก็จะดีมากอนะ่หรือผักดิบนี่ก็เราจะต้องล้างน้ําหรือว่าแช่ด่างทับทิมถ้าไม่มีด่างทับทิมก็ต้องแค่น้ําอย่างน้อ ย, น, อยน้อยก็ต้องสักยี่สิบสามสิบนาทีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใส่คำนึงถึงกันนะ เ, เ, เก็บมาจะเก็บมาจากต้นกอเอากันเลยนะทานกันเลย แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็มักจะใช้พวกสารเคมีพวกยาต่างๆเอาไปฉีดหรือเอาปุ๋ยไปใส่ฉีดตัวมแมลงฉีดเอาเร่งให้่ามันจเจริญเติบโตวไวให้มันออกผลไวออกดอกไวอันนี้แหละถือว่ามันเป็นสารพิษที่เข้าไปฝังอยู่ในร่างกายของเรามากเหลือเกินมากเหลือเกินฉะนั้นคนเราทุกวันนี้จึงเป็นโรคแปลกๆไอ้โรคที่ไม่เคยเป็นก็เป็นกันนะแล้วก็รักษากันไม่ค่อยหายโดยเฉพาะไอ้เรื่องโรคปวดตามข้อ งอนในกระดูกใ้สารพัดเดี๋ยวนี้คนเด็กเด็กหนุ่มสาวเป็นกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้จะไลยว่าคนแก่ไม่ได้ซะแล้วรู้สึกว่ามันเต็มโลกที่ที่เราได้สะสมไม่พวกสารพิษต่างๆไว้อย่างทางหนังสือพิมพ์หรือวิทยุก็ประกาศแทบทุกวั น, นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เราบริโภคอาหารที่ใส่สีไปก็ดีอบริโภกขาดเชื้อต่างๆเนี่ยมันยังมีพิษสารพิษตกค้างอยู่ก็เป็นทุกข์เป็นโทษหนกฉะนั้น ถ้าหากเราพิธีพิถันเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารก็จะทําให้เรานั้นอรับโรคภัยไข้เจ็บได้ทางหนึ่งอที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องอุจาระอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าอุจาระนั้นเราจะต้องขับถ่ายเป็นเวลานขับถ่ายเป็นเวลาอย่างน้อยๆก็ต้องวันละครั้งนอย่างน้อยก็วันละครั้งให้พอดีก็วันละสองครั้งนวันละสองครั้งฉะนั้นเรื่องอุจาระนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่าเรา าไม่ปกติการขับถ่ายไม่ปกติก็จะทำให้สุขภาพไม่ดีมีโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนคนที่อุจจาระไม่เป็นปกติอุจจาระผูกนั้นก็มักจะเกิดจากในหลายอย่างคือทำให้คิดมากก็าอาจจะอุจจาระผูกได้นั่งมากก็ผูกได้หรือกินอาหารที่ไม่มีกา ก, ากมันก็อาจจะผูกได้นะหรือน้อยเกินไปก็อาจจะผูกได้เนี่ยฉะนั้นเมื่อเกิดท้องผูกแล้วก็อาจจะทาให้โลหิตฝอย แตกอาจจะทําให้เส้นเลือดขาดเป็นโรควิสีดวงทวารแล้วเกิดเป็นโรคปวดส้นหลังก็ได้ปวดประสาทก็ได้มีอารมณ์หมุดหงิดด้วยสารพัดหรือเกินนะสารพัดโรคดงั้นอุจาระนี้ก็ต้องขับถ่ายเป็นเวลนะาต้องฝึกให้เป็นมนะเราต้องฝึกให้เปลี่ยนถึงแม้ว่าอเราจะไม่เข้าก็ต้องไปฝึกนะอันนี้มีคนเคยบอกว่าเราไม่เคยเข้าอห้องอตอนเช้าเราก็ต้องฝึกไปนั่งให้มันเคยนะนั่งให้มันเคยอ่นะ ของอะไรถ้ามันเคยแล้วมันก็สบายแต่ถ้าไม่เคยแล้วมันก็ลําบากขอให้ท่านลองไปพิจารณาดูนี่เกี่ยวกับเรื่องอุจนะประ ก, การที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องอที่สามก็คืออออากาศเราจะต้องอยู่ในที่อากาศดีถ่ายเทได้สะดวกสบายนะเรียกว่าเวลาเราสูดลมหายใจเข้าไปนี่รู้สึกว่ามันร่องปอดชุ่มชื้นหัวใจนะมันไม่อุดอัดแล้วอย่างนี้จะทําให้สุขภาพดีคนที่อยู่ในอากาศดีเนี่ย แต่ทำให้มีอายุยืนนะมีอายุยืนแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีอากาศถ่ายเทมไม่ดีมีสารพิษมากมีมลาวะอายมลพิษต่างๆ่างพวก เ, เกี่ยวกับเรื่องอยู่ใกล้โรงงานพวกสารพิษต่างๆแก๊สก็ดีพวกควันพิษต่างๆหรือว่าควันพิษจากรถเมล์อะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นมลพิษที่จะมีอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใ จ, จมากนะ ฉะนั้นหากว่าเราอยู่ที่อากาศดีๆก็จะทำให้สุขภาพของเราดีไปด้วยนะทําให้อายุยืนด้วยอ๋อที่สี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องออกกําลังเราจะต้องออกกําลังอย่างน้อยๆตอนเย็นๆก็ต้องหาเวลาออกกําลังว่างนะวิ่งรอบสนามบ้างไม่มีสนามก็วิ่งบนบ้านก็ได้หน้าบ้านก็ได้ในห้องน้ําก็ได้โดดลโอดเต้นไปหรือนอนเหยียดซ้ายเหยียดขวายกมือยกเท้ายกแขนอะไรก็แล้วแต่ สักหนะ้านาทีสนะิบนาทียนะี่สิบนาทีโอ้ยเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมากจะทําให้มีอารมณ์เป็นไสมีกําลังแข็งแรงนะทุกวันนี้เราไม่ก็ได้ออกกําลังกันเต็มเป็นโรคอรัมพาตกันมากเป็นเหน็ดช้ากันมากจะเดินเหินไปไหนก็รู้สึกมันอืดอาดเต็มทีเพราะเราขี้เกียจกันนะเป็นคนกลัวกลัวเหนื่อยนะกลัวเหนื่อยกลัวลําบากผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนนั่งกินนอนกินเป็นอัมพาตไปไหนไม่ได้นะไปไหนไม่ได้ฉะนั้น ทุกวันนี้ทางสมาคมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างๆหลายๆทั่วๆไปก็มีการรณรงค์กันมีการเดินทนกันวิ่งทนกันอะไรกันหลายๆอย่างอันนี้ก็ดีมากนะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นด้วยในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงให้พระออกบินดาบาดถือว่าเป็นกิจวัตรนะเป็นกิจวัตรในนะ อนุศาสตร์แปดนิสัยสีอาการนิยกิจสีนิสัยสีก็คือเที่ยวบิณดาบัดเป็นวัดการบินดาบัดนี่แหละเป็นการออกกำลังถ้าพระไม่บินดาบได้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามกิจวัตรนะฉะนั้นการบินดบัดนี่แหละถือเป็นการออกกำลังของพระพุทธองค์แล้วก็การเดินเดินตรงกลมนี่ก็เป็นการออกกำลังเป็นการบริหารร่างกายหรือว่าการเดินทุดงนี่ก็อีกเหมือนกัน นอกจากที่เราบริหารร่างกายผลดีที่เกิดกับร่างกายจิตใจแล้วก็ทําให้จิตใจของเรานี้าเบาบางจากพวกราคะโทสะโมหะเบาบางจากอาสวกกิเลสต่างๆอีกด้วยนี่มันเป็นความดีทางนั้นเลยนะเป็นความดีทางนั้นฉะนั้นก็ใคร่ขอให้นักเรีนนักศึกษาและท่านศาตุชมหญิงชายทั้งหลายถ้าเมื่อท่านได้ฟังเสียงนี้แล้วท่านก็ลองนึกทบทวนดู ว, ว่าที่อาจารยได้พูดทันจริงไหมว่า เหตุที่จะทำให้เรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเมียดเบียนน้อยแล้วก็ประการแรกก็คือหนึ่งเรื่องอาหารเราจะต้องรับประทานพอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและอาหารนั้นต้องสะอาดประการที่สองต้องอดใจนะเป็นเวล่างเวลาประการที่สามต้องอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็ต้องอยู่ห่างจาก สิ่งที่มีมลพิษเช่นโรงงานหรือว่าเครื่องทำสารเคมีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสารเคมีหรือทําโรงงานทําปุ๋ยกระดูกสัตว์อะไรนี่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นเราหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกมันอุดอัดแน่นหายใจไม่ค่อยออกอันนี้แหละจะทําให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บเปียกเวียนมากแล้วการที่สี่เราก็ต้องออกกํำลังนะออกกําลังถ้าเรามีสนามหน้าบ้านหรือว่าออกไปวิ่งตามสวนสาธารณะ ก็ระวังรถราไว้บ้างนะในกรุงเทพแต่บ้านนอกก็ไม่อ่าเท่าไรหรือเราจะอยู่ในบ้านของเราก็ไดนะ้ในบ้านก็ได้ออันนี้ได้ขัง้งงานการออกกําลังบางคนก็มีลูกอล้ อ, ลอเหล็กบางคนก็มีพวกอะไรสันดาวหลลูกศ ร, ป, ร ป, ปิงอะไรก็แล้วแต่ที่มาดึงมายืดมายกอืแล้วประการสุดท้ายก็คืออารมณ์อสุดท้ายก็คืออออารมณ์เรื่องอารมณ์นี้ถือว่าสําคัญที่สุดนะ คือคนเรานั้นถ้าหากว่าเป็นคนมีอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสอยู่ตลอดเวลาโลาครคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนน้อยแต่ถ้าหากว่าเราทําอารมณ์ให้เกิดความเศร้าหมองเกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าโาครคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียนจะตามมามากนะ่าจะตามมามากฉะนั้นต้องระวังอารมณ์อย่าให้เป็นคนมีอารมณ์โมโหโกรธทาฉุนเฉียวโกรธง่ายอันนี้ไม่ดีไม่ดี ฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนไม่เกิดนะเป็นคนไม่เกิดเป็นคนต้องรู้จักเสียสละเป็นคนต้องรู้จักละจับวางอย่าเก็บเอามาคิดนะอย่าเอาเป็นเครื่องกังวลใจอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องให้เปลี่ยนแปลงไปอย่าเก็บเอาเข้ามาถ้าเราไปเก็บเอาเข้ามามันก็ทำให้เรานั้นต้องเสียไปด้วยฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนเสียสละไอการเสียสละก็คือสละของเสียสละอารมณ์ที่เสียออกไป ถ้าสิ่งที่มันเสียนั้นเราออกไปแล้วเราก็สบายใจแต่ถ้าเราไม่เอาออกไปมันก็ทุกข์ใจเราเอาของเสียมาไว้ในใจมันก็ทําให้ใจของเราต้องโกรต้องเง่าต้องเสียไปด้วยฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะเอามาไว้เราต้องเอามันออกไปสละออกไปเราก็จะมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจก็จะทําให้เรานั้นมีกําลังแข็งแรงสมบูรณ์ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้นี่เป็นวิธีการง่ายๆนะเป็นวิธีการง่ายๆ ส่วนที่เราจะไม่ให้เกิดอันตรายที่เกิดจากศาสตราวุธต่างๆอันนี้เราก็จะต้องเป็นคนมีเมตตาเป็นคนเสียสละต่อเพื่อนบ้านต่อคนทั่วไปนรู้จักให้อภัยเราก็จะไม่มีเรื่องมีราวกับใครไม่มีเวรเกบใครไม่มีใครมาอิจฉาริษยารเราเร า, เรากา็จะมีแต่เพื่อนดี่ดีที่งามเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนเที่ยว เป็นเพื่อนกินเพื่อนหลับนอนก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทั้งหมดนี้เรียกว่ากายยิ่งสุขก็คือเป็นสุขทางกายทีนี้เรามาพูดถึงสุขทางใจบ้างสุขทางใจเรียกว่าเจตสิกสุขเจตสิกสุขก็คือสุขอันเป็นไปในทางใจหมายเอาความสุขอันเกิดจากใจได้แก่การประสบอารมณ์อันจริงอันเป็นจริงที่น่าปรารถนาหรือจิตใจที่ปลอดโปร่ง จิตใจที่ไม่คุ้มมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงถ้าหากว่าจิตใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็เป็นจิตใจที่ผ่องใสมีเกิดปีติความอินใจเป็นความสบายใจใจก็จะเป็นสุขก็ปราศจากเหตุมาภายในที่มีกิเลสความเศร้าหมองมารบร่มทําให้จิตใจกลัดกลุ้มกระวนกระวาย ทำให้จิตใจของเราไม่เกิดเวทนาต่างๆเข้ามาครอบงำครอบงำจิตใจให้ฟงสา่านอาก็เรียกว่าสุขเหมือนกันอาสุขทางใจนี้เป็นสำคัญกว่าสุขทางกายถึงกายจะได้รับความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าใจของเราเป็นสุขอาถหาอุบายหลีกเลี่ยงจากทุกข์นั้นได้คืออาแสวงหาสุขกายได้เพราะจิตใจของใสนั่นเองอาจึงหาความสุขทางกายได้แต่ถ้าหากว่าจิตใจไม่สุขแล้ว ไอ้ร่างกายที่เคยสมบูรณ์นั้นก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์นะเพาบอกแล้วว่าคนเรานั้นมันสําคัญอยู่ที่ใจนะสำคัญอยู่ที่ใจนะใจจะบังคับบัญชาให้ร่างกายเป็นไปอย่างไรก็ได้ให้สะกะปรกก็ได้ให้สะอาดก็ได้ให้ออกกําลังก็ได้อให้นอนอยู่เฉยๆก็ได้ดังนั้นเราจะต้องทําใจของเราเนี่ยให้เข้มแข็ง น, นะให้เข้มแข็งให้สมบูรณ์นะให้สมบูรณ์เรียกว่ากําลังห้า กําลังห้าพละห้าน่ะพละห้าศรัทธาพละกําลังคือศรัทธาวิริยะพละกําลังคือความเพียรสติพละกําลังคือความมีสติสมาธิพละพละคือความมีสมาธิคือการตั้งใจมั่นปัญญาพละพละคือตัวปัญญาความรู้รอบรู้ดีรู้ชั่วอันนี้แหละถือว่าเป็นพลังอันสําคัญหรือให้เรามีวิสารทะคือความแกล้าา ดันั้นในจิตใจของเรานั้นจะมีความสุขได้ก็ต้องเกิดจากหลายๆอย่างแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเราจะต้องทำใจของเราให้แข่มชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาให้ประสบในสิ่งที่พรงปราถนาอยู่ตลอดเวลาพยายามอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจได้คนที่มีจิตใจเศร้าหมองนั้นก็เพราะไอ้ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละ มาเป็นตัวบดบังหรือว่าเบียดบังแทรกแซกแงทําลายความโลภความโกรธความหลงนี้เหมือนกับสนิมสนิมมันเกิดขึ้นจากเหล็กแล้วมันก็กัดเหล็กให้ผุให้กร่อนไปข้อนี้ฉันใดในตัวราคะโทสะโมหะหรือความโลภโลภโทสะโมหะมันเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วมันก็เผาจิตใจคนนั้นย่ำยีจิตใจคนนั้นทําลายจิตใจคนนั้นให้ผุให้กร่อนไปให้ย่อยยับไปให้เสื่อมสมรถภาพาไปชั้นนั้นเหมือนกัน ฉะนั้นเราจะต้องระวังนะจะต้องระวังข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทําจิตใจของเรานั้นให้ปลอดจากนิวรณ์ทั้งห้านะให้ปลอดจากนิวรณ์ทั้งห้าก็คือตัวการมฉันทะความพอใจในการนะความพอใจในการเพราะว่าถ้าเราติดอยู่ในกามแน่นอนที่สุดก็ทําให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์นะเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นโทษเกิดเดือดเนื้อร้อนใจต้องทํา ประการที่สองก็คือพยาบาทต้องทําจิตใจของเรานั้นให้เป็นคนมีเมตตามีความอดทนไม่คิดอาฆาตพยาบาทกับใครประการที่สามต้องทําจิตใจให้ปลอดจากถินมิตระก็คือไม่เป็นคนง่วงเหงาเหานอนไม่เป็นคนขี้เศร้าต้องเป็นคนมีสติอยู่เสมอเป็นคนมีความเพียรมีความกล้ากล้าไม่เป็นคนเห็นแก่นอนไม่เป็นคนเห็นแก่กินอันนี้แหละก็จะทําให้จิตใ จ, จของเรานั้นตื่นอยู่ตลอดเวลา ใจของเราก็จะเบิกบานช่มชื่นประการที่สี่ต้องทําใจให้ปลอยจากอุทจักกุขจัคือความฟุ้งซ่านราคาญใจต้องทําใจของเรานั้นไม่ให้ฟุ้งซ่านทําใจของเราให้ปราศจากภูรีคือกิเลสตัณหาความเศร้าหมองประการที่ห้าต้องทําใจให้ปลอศจากวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยต้องให้หมดไปนต้องให้หมดไปอันนี้แหละก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้า แล้วก็เป็นสุขที่สมมาตปรารถนาของทุกๆคนฉะนั้นเมื่อพูดถึงสุขสองในทุกสองก็มีเหมือนกันก็คือทุกกายทุกกายแล้วก็ทุกใจทุกกายก็ได้แก่ความขาดแคลนในโภกทรัพย์ต่างๆเมื่อทํางานการตราตราร่างกายไม่ได้รับความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ก็กลายเป็นความทุกข์ส่วนทุกทางใจนั้นก็ได้แก่จิตเป็นทุกข์ คือจะนึกคิดอะไรก็ไม่ปลอดโปรง่งคือได้รับแต่ความเจ็บจ้ําน้ําใจได้รับแต่ความเหยียดย่าเหยียดยามอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเดือดร้อนโดย ก, รการต่างๆอันนี้เรียกว่าจิตเศร้าหมองอะฉะนั้นในสุขสองทุกสองก็ขอให้ท่านนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ลองเก็บเอาไปคิดดูว่าเป็นอย่างที่ได้บรรยายไปไหมโปรดพยายามให้รักษาสุขภาพร่างกายของเรา อย่าให้มันคร่ำเคร่งจนเกินไปอย่าให้มันกรลมแดดกรลมฝนอะไรมากเกินไปหรือว่าตระกรลมกับก า, าการงานมากจนเกินไป อ, อันนี้ก็จะทําให้ร่างกายของเรานั่นบอบช้าได้นบอบช้าได้เมื่อร่างกายของเราบอบช้าไปแล้วมันก็ยากแก่การที่จะรื้อฟื้นให้คื้นที่ให้คงดีได้เหมือนกับไอ้บ้านที่มันเก่า ถ้าหากว่ามันไปผูกไปพังไปแล้วเราจะไปปะไปต่อมันก็ไม่สนิทเหมือนเดิมนะไม่สนิทเหมือนเดิมฉะนั้นเราจะต้องระวังเรื่องจิตใจก็คือเรื่องอารมณ์นะสุขทางใจนะั่นเรื่องอารมณ์อย่าให้ตัวราคะโทสะเข้ามารบรุ่มอา้ากุงจิตใจก็จะทำให้เกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนมากฉะนั้นถ้าหากจะมีคําถามว่าาใจใจเป็นผู้สวยเวทนาทุกชนิดมิใช่หรือถ้าเช่นนั้นกายยิกระสุขกับกายยิกระทุก หมายความว่าอย่างไรอันนี้เราตอบได้เลยว่าถูกแล้วกายยิกสุข ก, ก็คือกายกกกายิกสุขกายยิกทุกได้แก่กายสัมผัสสัจชากายสัมผัสสัจชาเวทนานั่นเองใจจะไหวตามก็ตามไม่ไหวตามก็ตามก็ย่อมได้ชื่อว่าสุขทุกข์ทางกายอยู่คงที่เพราะเป็นผู้ต่อสู้เป็นผู้รับสัมผัสตามหน้าที่หรือเธอจะมีคําถามว่าสุขทุกข์เป็นเวทนาอะไร สุขก็เป็นสุขเวทนาทุกก็เป็นทุกขเวทนานี่อันนี้เราก็ตอบได้ทันทีฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอาการบรรยายเรื่องสุขสองมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหัวข้อว่าสุขสองคือหนึ่ง สามิตสุขคือสุขอิงอามิตรสองนิรามิตสุขคือสุขไม่อิงอามิตรอันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมาทําความเข้าใจกับคำว่าอสุขเสียก่อนอคำว่าสุขในที่นี้ก็มีในดังที่ได้เคยบรรยายมาก่อนแล้ว ก็คือคำวสุขก็คือความสบายกายสบายใจฉะนั้นคนเราถ้าหากว่ามีความสบายกายความสบายใจแล้วมันก็เป็นความสุขสมดังที่ปรารถนาแล้วเราทุกคนก็ปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่ต้องการความสุขฉะนั้นท่านจนึงจําแนกความสุขออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งสามมิตสุขคือสุ สุกอันเป็นไป ก, นกันกับด้วยอามิตรนะสุขอันเป็นไปกับด้วยอามิตรคําว่าสามิตรสุกไม่ได้หมายถึงว่าสุกเกิดจากการสุบุรีสามิตรนะอย่าไปเข้าใจว่าสุกเกิดจากการสุบุรีสามิตรจึงไม่ชื่อว่าสามิตรสุกไม่ใช่อย่างนั้นไปตอบอย่างนั้นเขาก็เท่ากับว่าเดี๋ยวจะไปช่วยโรงงานย้าสุกเขานะฉะนั้นอาสามิตรสุกเนี่ยมันมาจากคำสองคำนะอ่านะ มาสะเนี่ยสะตัวนี้แหละเนี่ยมาจากอามิทเนี่ยสะข้างหน้าไปลงแล้วก็สุขสุขอันเป็นไปกับด้วยอามิตรอามิตธในที่นี้ก็คือการมคุณห้าการมคุณห้าคือหมายความว่าเรามีความสุขเกิดจากการที่อพอใจใ น, ในอาเครื่องอาเครื่องล่อห้าอย่างก็คือรูปเสียงกลิ่นรส โททพะซึ่งเรียกว่ากามกุลห้ า, ากรมกุลห้าในนีประเภทต่างๆดังที่กล่าวมานี้ย่อมจะทำบุคคลผู้ไม่มีดวงตาก็คือไม่มีปัญญาให้ลุ่มหลงให้ติดให้กระวนกระวายเพราะเป็นบุตรเครื่องล่อใจให้ติดเป็นเหตุแห่งความปรารถนายิ่งๆขึ้นไปเมื่อยังไม่ได้ก็ปรารถนาอยากได้เมื่อได้แล้วก็เลิอเล่อลอนอยู่ในกรมกุลนั้นๆ ไม่มีที่สิ้นสุดรวงความว่าได้แก่ความบริบูรณ์ด้วยกามคุณห้าเป็นเหตุให้เกิดาสามิตสุขได้อันนี้เราเห็นชัดเลยว่าคนเราทุกคนที่หลีกกันไม่พ้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องสามิตสุขแล้วก็เราปรารถนากันเหลือเกินปรารถนารูปปรารถนาเสียง <c oughs> ปราถนากลิ่นปราถนารสปราถนาการสัมผัสเราทุกคนอยากให้มีรูปสวยนะรูปงามรูปหลอ่อเราทุกคนปราถนาจะมีเสียงดีนะักร้องคนไหนเสียงดีเราก็ชอบอนะชอบอคนไหนใช้น้ําหอมดีมีกลิ่นดีรู้สึกเราก็ชอบสนใจอาหารที่ไหนมีรสดีเราก็พยายามไปเท่าแสวงหามาบริโภคกัน มารับประทานกันอไอ้สิ่งอะไรที่รับที่นอนที่เราสัมผัสแต่มันนุ่มดีออนดีเราก็แสวงหากันโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหนังมังสาอันนี้แหละก็จะทําให้เรานั้นเกิดติดลหลงไหลอยู่ในกรรมคุณทั้งห้ากรรมคุณทั้งห้านี่แหละเปรียบเสมือนว่าเป็นเยือ่อนะเป็นเยือ่อ นะเป็นเครื่องล่ อ, นะอเหี้ยที่เขาเกี่ยวเบ็ดให้ เ, เขาล่อปลานะที่เขาดักปลาให้ปลามันไม่เห็นเบ็ดพอเห็นเหื้ยเขาก็มาคาบหรือมากินเข้าพองับเข้าไปพอดีก็จะเกลื่อนเข้าไปพอดีก็ไปติดเบ็ดพอติดเบ็ดแล้วเขาจะจูงไปทางไหนก็ได้ตกเป็นทานุตกเป็นธานะตุผลที่สุดก็ตายนผะลที่สุดก็ตายฉะนั้นคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นหลงเหื้ย คือรูปเสียงกลิ่นรสปอดทับพระแล้วแน่นอนที่สุดก็ตกเป็นทาตุตกเป็นทาตของกามาคุณหา้าตกเป็นทาตของกามาคุณหา้าทาให้เกิดความกระวกระวายทําให้เกิดการแสวงหาและทําให้เกิดควา ม, มาทยานอยากอยู่เรื่อยๆไปแล้วก็เป็นเหตุที่จะทําให้เราเสียการงานก็ได้เสียเวลามเวลาก็ได้เสียเงินเสียทองก็ได้ ผลที่สุดก็คือเสียชีวิตก็ได้อันนี้เนื่องมาจากกรรมคุณห้าทางนั้นฉะนั้นกรรมคุณห้านี้ถ้าเราดูผิวๆเผยๆมันก็น่าจะละง่ายแต่จริงๆแล้วมันละยากนะละยากมากถ้าเราไปพิจารณาดูตามหลักของสังโยชนิสิทธิสังโยชนิสิทธิ์สังโยชนิสิทนี้พระโสดาบันละได้สามนะสังโยชนิสิทก็มีตั้งแต่ อสักกายทิฏฐิวิจิกิจชานสีรัตตะปรามาสสีรัตตะปรามาสกามราคะปริกะโรปราคะอะโรปราคะมานะอุทธะอวิชานี่ทั้งสิบอย่างทีนี้พระโสดามั น, นยละได้สามก็คือสักกายทิฏฐิสองวิจิกริชาสามสีรัตตะปรามาแม้แต่โสดามันก็ยังละกามไม่ได้นี่อยังละกามไม่ได้นายังติดอยู่ในกามนะฉะนั้น อันนี้แหละก็จึงที่ว่ามันไม่ใช่ง่ายนะมันยากนะมันยากเหมือนกันถ้าโดยโดยการปฏิบัติแล้วมันก็ยากนะฉะนั้นถ้าหากว่าใครยังติดอยู่ในกามาคุณห้าผู้นั้นก็จะไม่ได้ความสุขที่แท้จริงยังเป็นสุขจอมปลอมนะมันประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกนะประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกเราว่ารูปอย่างนี้ดีนะไอ้ที่เราแต่งงานของเราก็เลือกแล้วว่าดีทั้งนั้นแต่ว่ามาอยู่ไปนานๆเท่าเกิดเบื่อนหน่ายเพราะรูป ร่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปไอ้ที่เคยแปลงกลรงเต็ ง, งต็งมันก็เหี่ยวยานย่อย่อนไปนะหย่อนไปชะ่ววูชัวากไปหมดนะอมันก็เลยทําให้เราเกิดการเบื่อหน่ายกันอีกอย่างหนึ่งไอ้หนังมันเหี่ยวย่อนก็ตกกระตกตะเกิดหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นนอนเป็นนี้เราพวกตกความเบือ่อนี่แหละเพราะไอ้รูปนั้นมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเสียงเหมือนกัน บางคนที่เราติดว่าเสียงหนีแต่ไม่นานเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เป็นเสียงแหบก็ได้หรืออาจจะต้องผ่าต่อมทอนซิลก็ไดอ้อาจจะเสียงแตกไปเลยก็ได้มันไม่แน่นอนอาบางครั้งของไอ้วัตถุต่างๆหรือ ว, ว่าเสียงดีพอนานๆเข้าตีนานๆนเข้ามันก็แตกเสียงมันก็ไม่ดีได้นะไอ้เรื่องเสียงเปิ้งรถมันก็ในทำนองเดียวกันรถบางอย่างเราว่าดีแต่อีกคนหนึ่งว่าไม่ดีเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นนี่แหละถ้าหากว่า ใครยังมาหลงยังมาติดยังมายึดอยู่แน่นอนที่สุดผู้นั้นก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนนะมีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเกี่ยวกับเร่ อ, อกามาุูดห้าเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราได้คนสวยอย่างนี้เสียงดีอย่างนี้กลิ่นหอมอย่างนี้มีรถตีอย่างนี้สัมผัสตีอย่างนี้เราจะพอแล้วนะเราอาจจะนึกอย่างนั้นแต่พอเราได้จริงๆแล้วมันไม่พอเรายิ่งแสวงหาขึ้นไปอีกนะ และทําให้เราได้ของที่ว่า ด, ดีนั้นทําให้เราเกิดความรุ่มหลงเกิดความประมาทนะเกิดความประมาทออ่านะเป็นเหตุให้เรานั้นเกิดความทรมนงตัวคนที่สุดก็คือว่าความหายนะก็จะบังเกิดแก่เรามากยิ่งขึ้นนะมากยิ่งขึ้นอนะ่ฉะนั้นได้ความสุขที่คนเราสแสวงหากันโดยมากก็สแสวงหาเกี่ยวกับเรื่องเนื้อนหนังบางสาเอนะเราจึงไม่เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดการฆ่ากาันเกิดการหัวแหนกัน เกิดการประหรัดประหารกันหรือบางครั้งก็มีการสุดข้าอานะจ า, ารย์กันสารพัดสิ่งเหล่านี้เราถือว่ามันเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงนะเป็นภัยอย่างไ่หลวงฉะนั้นได้ความบริบูรณ์ด้วยกามาคุณท่านนี้จึงเรียกว่าสามิ ส, สุกนะเป็นสุกอิงอามิตสนะอิงเหยื่อเป็นสุขที่ยังมีเหยื่อเจือปนก็ยังเป็นสุกสุขติดติดนะยังเป็นสุกจอม ยังเป็นสุขที่กลับกลายได้นะยังต้องกระวนกระวายยังต้องเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขอยู่อย่างนี้นะเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าสามิสุขสุขประเภทที่สองเรียกว่านิรามิสุขได้แก่การพากจิตออกจากการมมคุณห้าในรามิสุขสุขที่ภากจากการมคุณห้ายมันเป็นสุขนะเป็นสุขที่เป็นบรมสุขจริงๆรนะ ไม่พอใจในกามคุณท่าเอาจิตออกห่างเมื่อคลาจิตออกห่างจากกามคุณท่าใดแล้วทุกเพราะการบริหารก็ไม่มีทุกเพราะสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปก็ไม่มีทุกเพราะไม่สําเร็จตามความปรารถนาก็ไม่มีข้อนี้เรียกว่าความปราศจากกามคุณจึงไม่ชื่อว่าเป็นสุกนิรามิตสุกคือเป็นสุขไม่อิงอามิตเป็นสุขที่ไม่มีเหยือ่อ เป็นสุขที่ไม่จอมปลอมเป็นสุขที่เที่ยงแท้เป็นบร ม, มสุขเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมเป็นสุขอิงเนคขมะแต่คำว่าเนคขมะศัพนิแปลว่าออกปวดอันเจตนาของผู้ออกปวดก็มุ่งไปในทางท่าจากกรรมเมื่อมีกายออกห่างจากกรรมแล้วก็ปฏิบัติทำอยู่ย่อมได้รับผลแห่งธรรมทาให้เกิดความสุขปีติซาบซ่านอาการแห่งนี้เรียกว่าสุขไม่อิงอามิธคืออิงเนคขมะนะคืออิงเนคขมะ ฉะนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีพระสงฆ์องค์เนนถ้าหากว่าได้รับนิรามิสุขแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของคนนั้นโชคดีกับคนนั้นต้องไม่ตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาต้องไม่ตกเป็นทาตของโลกเสีย้ยนกลินรสปพดทัพทะคือเรามีจิตใจอยู่อย่างอิสระไม่เป็นจิตใจที่ไม่มีเงื่อนไข จิตใจที่มีเงื่อนไขเป็นจิตใจที่ไม่มีอิสระนะฉะนั้นอาตมาจึงไม่สอนให้นักเรียนให้ญาติโยมด่ว่ากันว่ า, าว่าชีวิตที่มีเงื่อนไขนะชีวิตที่มีเงื่อนไขก็ไรอิสระแต่ชีวิตที่ปราศจากเงื่อนไขก็ไรสาระอีกเหมือนกันฉะนั้นอันนี้เราจะต้องพอเหมาะพอควรนะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ นะรู้จักแบบยั้งช่างใจชีวิตที่เป็นอิสระนั้นเป็นชีวิตที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติหมายความว่าอาจิตใจที่ไม่ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสตัณหาไม่ตกอํานาจของอากามคุณธาตไม่ตกอยู่ในอํานาจอาของธาตุสายต่ําที่มายั่วยุจิตใจให้หลงไหลคล่อกล่อมใส่ฝันจิตอย่างนี้แหละเป็นจิตที่ เรียกว่าที่สูงนะเป็นจิตที่สูงเป็นจิตที่ถึงบรมสุขนะถึงบรมสุขเป็นจิตของพระอเป็นจิตของพระอเยเจ้านะเป็นจิตของพระเจ้าฉะนั้นมาสุขที่เกิดจากนิรามิสุขนี้ก็ได้แก่สุขที่พลาดจากการมคุณห้านั่นเองเอนะพาดจากกามคุณห้าเพราะคนที่ติดอยู่ในการรมคุณห้านั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็อเป็น เป็นสุขที่จอมปลอมนะสุขที่จอมปลอมเมื่อได้มาแล้วก็กลัวว่าไอ้สิ่งนั้นจะต้องพัดพาจากไปจะต้องแปรปวนไปก็เป็นทุกข์นะไม่สมเร็จตามที่คนสาธารณะก็เป็นทุกข์ไงอย่างนี้แต่ว่าพอถึงนิรามิสุขแล้วไม่สาธารณะเลยหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากเครื่องบุนดูดเหล่านี้ไปแล้วสบายใจสบายใจไม่ต้องเจ็บช้าน้ําใจไม่ต้องเลือดร้อนใจ จะไปไหนมาไหนจะนอนที่ไหนทำอะไรก็สะดวกสบายเป็นไทแก่ตัวเองเป็นอิสระแก่ตัวเองฉะนั้นอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นนิดามิ ส, สุขถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นสุขท่านนิพพานนะขั้นนิพพ า, านเลยฉะนัว่างนันดีกว่านะขั้นนิพพานอันนี้ถ้ายังพวกเราสามัญชนธรรมดาก็คือผู้ที่รักษาศีลว่างนันเถอะรักษาศีลห้าศีลแปด เส้นอุโบสถเอหรือว่าเส้นของสมัมมเนรของพิสุกก็พยายามทําจิตใจให้ออกห่างจากกรรมคุณห้าให้เบาบางลงไปรู้จักยับยั้งชั่งใจก็จะได้ชื่อว่าจัดเข้าในในิรามิสุขได้ถึงว่ามันจะไม่ได้ชัดเจนนะักแต่ว่าก็เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางก็หมายถึงว่าเราเมฆขมังคือออกบวชแล้วก็เพื่ อ, องการศาสนาที่จะออกจากกา ร, รมคุณห้านี่เองฉะนั้น เมื่อได้พูดถึงเรื่องอสุขสองอย่างนี้อถือว่ามันเป็นเป็นสุขที่ที่ตรงกันข้ามคือสุขอันแรกสามิสุขนั้นเป็นสุขที่สุขสุกติดติดแต่สุขในยะที่สองนั้นเป็นสุขที่ปลอดปลงโล่งใจเรียกว่าเป็นสุขชั่วนิจเนรันดอนนะเป็นสุขชั่วนิจเนรันดอนฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องสุขก็ต้องพูดถึงเรื่องทุกข์อีกเหมือนกัน ความสุขกับทุกเป็นของคู่กันทุกข์ก็มีสองอย่างคือสามิตรทุกข์อ่าไม่ใช่หมายว่าทุกข์เกิดจากการสุอุรีสามิตรเนี่ยมันได้หมายถึงอย่างนั้นแต่มันก็ถ้ามันก็เข้าเข้าได้เหมือนกันเข้าร็อกได้ว่าแต่คนสกขุลีเนี่ยมันเป็นทุกข์มากทุกข์เกิดจากโรคต่างๆโรคต่างๆที่เกิดจากการสุขุลีมันมีมากและคนที่บอกว่าสุขุลีเขาก็บอกว่ามีความสุขเหลือเกินนะบางคนนี่หนาวมากก็บอกแหมใน้สุขุลีสักมันรู้สึกว่าแก้หนาวได้ บางคนเจ็บป่วยอะไรก็แม้ได้สูกบุหรี่รู้สึกว่ามันชื่นใจจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่นใจเลยเนยมันไปโทษเกิดเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นทางแพทย์จะลงความเห็นตรงกันว่าบุหรี่นี้มีแต่โทษอย่างเดียวนะไมไ่มีประโยชน์เลยฉะนั้นอันนี้อาจารมาได้เขียนเป็นคํากรอนสอนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปว่าสุกุยมีอันตรายได้หลายอย่างเป็นโรคทางเดินอาหารเาหวานได้ เป็นโรคปอดโรคมะเร็งโรคหัวใจเป็นโรคไอโรคอ่อนแอแพ้ตัวเองนี่คนสุบุรัยอ่าฉะนั้นอหมก็ถ้าหากว่าเราเลิกเสียได้ก็แหมรู้สึกว่าสบายใจนะสบายใจไม่เดือดร้อนแกอสังคมแก่คนข้างเคียงด้วยไม่เดือดร้อนแกตัวเองด้วยไม่เสียทรัพย์ด้วยเอแล้วก็ไม่สศกโศกด้วยสบายฉะนั้นในพวกสองในสามิตรทุกก็หมายถึงว่าอทุก ทุกที่ยังอิงอามิ t h ก็ได้แก่ความปรารถนาการมาคุณห้าไม่ได้ไม่ได้สมหวังเือมีอยู่สมบูรณ์แล้วมีอยู่สมบูรณ์แล้วแต่ว่ายังไม่พอแก่ความปรารถนายังทะเยอทยานอยากได้ให้มากยิ่งๆขึ้นไปรวมความก็ได้แก่ว่าความปรารถนาการมาคุณห้าแล้วไม่ได้สมหวังก็เลยกลายเป็นทุกข์ไปนี่แหละอย่างนี้เรียกว่าอสามิทุกข์เป็นสามิทุก และก็มานิรามิตทุกก็ได้แก่การท่าจากกามคุณท่าไม่ได้สมประสงค์นะตัวอย่างเช่นการาบาเพ็ญกรรมฐานไม่ถูกแก่จริตของตนหรือว่าการทําสมาธิอาการเจริญสมาถาววิปัสสนาไม่ถูกแก่จริตของตนไม่ได้สมดังที่ตนเมื่อมาพัฒนาก็รู้สุกว่ามันเป็นทุกข์ได้บางคนก็ทําให้เสียผู้เสียคนไปก็มีอันนี้แเราก็เรียกว่ามันก็เป็นอทุกข์ที่ ออที่อิงอามิชเหมือนกัารนี่ควาเป็นทุกข์ที่อิงอามิชิตก็คืออิงกรรมกุณฑะนะอิงกรรมกุณฑะฉะนั้นพูดถึงเรื่องอสุขเรื่องทุกข์มาก็พอเป็นแนวทางถ้าหากว่าอาจะตั้งปัญหาถามว่าทุกชนิดอื่นก็พอเข้าใจได้แต่นิรามิตทุกข์เข้าใจเป็นอเป็นอย่างเป็นอย่างไรนะหมายถึงว่า ไอ lawyers, ทุกชนิดอื่นก็พอเข้าใจได้แต่นิรามิต ท, ทุกนะ่ะเข้าใจเป็นอย่างไรอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นทุกชนิดที่ไม่เจือปนด้วยอามิต h นะอ่ไม่เจือปนด้วยอามิตรแต่นิรามิตรสุขนะขอประธานโทษเข้าใจว่าเป็นทุกชนิดไม่เจือด้วยอามิตรแต่นิรามิตรสุขนะคือทุกอันเกิดแต่กรรมหรือการงานต่างๆ ชื่อว่านิรามิตุเพราะอาไม่เกิดแต่อามิตคือการมะคุณห้าอีกอย่างหนึ่งน่าจะได้แก่สภาวะทุกข์คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่อันเป็นวัตต์ตักอันเป็นวิปาสกวัาคือเป็นวัตตักในสงสารอันนี้ฟังฟังเูยแล้วก็ นักเรียนักษาอาจจะงงเกี่ยวกับเรื่องอสามิทุกบ้างนิรามิทุกบัง้งสามิสุขบ้างนิรามิสุกบ้างทําไม่มันกลับไปกลับกันมาก็ขอให้ทําความเข้าใจให้ดีหรือถ้าจะตั้งปัญหาว่าศกทุกในเวทนาห้าต่างกันหรือเหมือนกันกับทุกสุกในหมวดสองอย่างไรอันนี้ต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีคือุกในเวทนาห้าเหมือนกันกับกายยิกสุขหรือสามิสุข นิรามิตรุกที่เป็นไปทางกายที่เหมือนกับทุกก็เช่นเดียวกันเพราะสุขทุกขในเวทนาห้าเป็นไปทางกายอย่างเดียวส่วนสุขทุกขในหมวดสองเป็นจำพวกเวทนานิสามิตรทุกขกับนิรามิตรทุกอต่างกันอย่างไรนิสามิตรทุกก็คือได้แก่ทุกอิงามิตรคือกรรมคุณห้าเป็นสามิตุกข ทุกไม่อิงอามิชคือกรรมคุณห้าคืออิงเนคขมะเป็นนิรามิตุกขกลางโดยปุกาลาพิฐานก็คือทุกของกรรมมาโภคีบุคคลเป็นสามิทุกทุกของบรรวชิตเป็นนิรามิตุกข์เป็นนิรามิตุกขไอ้คําว่ า, ามาโภคีก็หมายถึงว่าผู้ที่ยังบริโภคการมก็คือหมายถึงว่าผู้ที่ยังครองรักครองเรือนออย่างนี้เรียกว่าสามิทุกขแต่ยังผู้ที่สูสมมาเนยเรียกว่าเป็น อนีรามิทุกเป็นทุกของบรรพชิตนั่นเองนะนี่เป็นเรื่องของอสุขทุกก็เป็นเพียงแนวทางทีนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อสุดท้ายให้จบควบคู่กันไปเลยก็คือในเรื่องสุธิสองสุธิสองก็คือหนึ่งปริยายิสุธิหมวดจดโดยเอกเทศสองนิปริยายิสุธิหมวดจดโดยสิ้นเชิง คำว่าสุธิแปลว่าความบริสุทธิ์หมดจดได้แก่การปฏิบัติกายวาจาให้บริสุทธิ์หมดจดได้เป็นอย่างอย่างหรือสิ้นเชิงมีสองประเภทนะมีสองประเภทก็คือหนึ่งปยายาสุธิความหมดจดโดยเอกเทศได้แก่การปฏิบัติกายวาจาใจของพายาบุคคลให้หมดจดเป็นชั้นๆขั้ๆ แต่ก็ยังมีการละและการบำเพ็ญอยู่อีกเช่นพระยบุคคลผู้ได้บรรลุโสดาปติมัคแล้วก็จะต้องได้โสดาปติผลเมื่อได้โสดาบันเต็นภูมิในชั้นนี้แล้วชื่อว่ากำจัดสังโยชน์ด้วยสามยการคือจักรยทิฐิวิจิกิชาสีระพจปรามาตแต่ก็ยังจะต้องปฏิบัติเพื่อได้บรรลุจักรทาคามิมัคขึ้นต่อไปอีกจนถึงพายหัตตมัค ความบริสุทธิ์เป็นอย่างๆยั ง, ย ง, ยงไม่สิ้นเชิงดังกล่าวมานี้เรียกว่าปริยายจสุทธิปริยัจจสุธิคือถ้าพูด อ, อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างพระอยะบุคคลทั้งแปดเนี่ยนะพระยะบุคคลทั้งเจ็ดตั้งแต่โสดาปิมัคโสดาปิผลสกท า, าคามิมัคสกท า, าคามิผลอานาคาคามิมัคอานาคาคามิผลอะตามัคนี่ถือยังเป็นนิปริยายจสุธินหมดจดโดยเอกเทศเป็นส่วนส่วน โซดาบันละได้สามศรัทาคามีก็ละได้สามพ้องกับธรรมราคะโตสระให้เบาบางส่วนพระอนาคามีก็ละได้ห้าเพิ่มการมราคะกับปฏิฆะเข้ามาปฏิฆะเข้ามาอย่างนี้และจัดว่าเป็นปียายสุทติก็คือหมดจบโดยเอกเทศเป็นส่วนๆของโซดาบันก็เป็นส่วนโสดาบันศริทธาคามีก็เป็นส่วนของศรัทธาคามีอนาคามีก็เป็นส่วนของอนาคามีอะไรทานองอย่างนั้น ทีนี้มาพระเพือที่สองนิปรยายยสุทธิความหมดจบโดยสิ้นเชิงไอ้ที่หมดจบโดยสิ้นเชิงก็ได้แก่ความหมดจบของพระอาหารหันต์ผู้ละสังโยชน์ได้สิทธประกาศบรรลุพระอหัตผลเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่ความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเช่นนี้และเป็นนิปรยายยสุทธิก็หมายความว่าพระอาหารหันต์นี้ต้องละสังโยชน์ได้ทั้งสิ คือหนึ่งการศักกยติทิสองวิจิกิจจาสามจีลมาตาปรามาสสีการมราคะห้ปาปฏิฆะหกอุปราคะเจ็ดอุปราคะแปดมานะเก้าอุจจะสิบอวิชานี่อย่างนี้เรียกว่านิปรยา ย, ยสุทีดีกว่าหมดจบโดยสิ้นเชิงนะหมดจบโดยสิ้นเชิงฉะนั้นอันนี้แหละนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายคําว่าสุทธิแปล ว, ว่าความโดยสุดความหมดจบนั้น เราจะต้องเราจะต้องทําให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นในจิตในใจกับเราอพูดง่ายๆรวมความพูดให้สันส้นๆให้ง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าคําว่าสุขภิก็คือความบริสุทธิ์ความสะอาดก็เหมือนกับผ้าเสื้อผ้าที่เราฟอกสบู่มันสะอาดของอะไรถ้ามันสะอาดมันก็น้าหยิบหน่าใช้หน่าสวมน่าใสนะคนเราถ้าเป็นคนสะอาดสะอ้านเห็นอะไรมันก็สบายตาสบายใจ เสื้อผ้าอาบความสะอาดสะอ้านก็น่าหยิบผงใส่ของใช้ไม้สอยสะอาดสะอ้านมันก็น่าหยิบเอามาใช้เอามาโชว์ได้แต่ของอะไรถ้ามันสกปสกแล้วมันก็ไม่น่าเอามาใช้งานเอาโชว์อะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็กลับทั้งหลายก็มีทุกมีโทษแก่ร่างกายและจิตใจแล้วแก่สังคมอีกด้วยนะฉะนั้นในความสะอาดในที่นี้ก็หมายถึงอาบคสะอาดแห่งจิตใจนะความสะอาดแห่งนะการปฏิบัติกายวาจาทางกาย สะอาดกายก็คือพูดอย่างโรคๆก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมันอาขจัดอาบน้ําำแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอแล้วก็ต้องมันชําระเคล็ดเนื้อล้างตัวทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราจึงจะสะอาดกายได้แต่ในทางธรรมก็คือการที่จะสะอาดกายนั้นก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์ต้องไม่รักทรัพย์ต้องไม่ประพฤติดประเวณีอทางวาจากขาต้องไม่พูดปดต้องไม่พูด ส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้เจอ้อส่วนในทาง จ, จิตใจนั้นเราจะต้องให้ไวสุดสะอาด จ, จากกิเลสตัณหาเครื่องร้อยรัดต่างๆอันนี้ใจของเราก็จะหมดจบโดยสิ้นเชิงฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าปัญญายาไวสุดชติคนจะไวสุดได้ก็เพราะปัญญาฉะนั้นเราจะต้องมีปัญญ า, าต้องมีปัญญาปัญญานี่หจะตัดในความทุกข์ทั้งมวลได้แก้ปัญหาได้ปัญญาเปรียบเสมือนเป็นแสงสว่าง ปัญญาโลกลสมิสัจโชโตโปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมักทีปัญญาสมาอภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีฉะนั้นคนเราจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาฉะนั้นชาติจะถามว่าปัญยายสุทธีหมายเอายิ่งย่อนเพียงชั้นไหนพระอนาคามีบุคคลได้บรรลุสุทธิอะไรเขาเหตุไรอันนี้ยางตา่ําก็เราตอบได้เลยว่ายางต่ํำหมายเอาเพียงปะหานะคือการประหานกิเลสหรือวิมุติ ชั้นตทาทังขวิมุตต์ตาทังขวิมุตต์ก็หมายถึงว่าหลุดพ้นชั่วครั้งชั่วคราวหรือไปถึงวิคัมพนาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยการข่มไว้อย่างสูงก็ได้แก่สมุดเฉดทวิมุตต์ของพระเสกขะคือหมายถึงว่าตัดละได้อย่างเด็ดขาดนะละได้อย่างเด็ดขาดได้บรรลุต่อยายสุขธิเพราะท่านยังมีกิจในการละบำเพ็ญพื้นมรรคผลเรื่องสูงต่อไปอีก ทีนี้ถ้าจะถามว่าอ น, นิปรยายสุทธิกับวิโมกษ์สั่งกันเหมือนกันหรือไม่จัดเป็นภูมิธรรมเพียงชั้นไหนพระญยบุคคลจําพวกไหนได้บรรลุอันนี้เราตอบได้ทันทีว่าต่างกันโดยพญชนะและชื่อเหมือนกันโดยอัอจาจัดเป็นโลกุตระธรรมพระอเสขเป็นผู้ได้บรรลุทั้งสองประเภทถจะถามว่าปรยายสุทธินั้นหมายเอาความปฏิบัติของใคร อันนี้ตอบได้ทันทีว่าอย่างสามหมายเอาความปฏิบัติของสามัญชนแต่ได้นามว่ากัลยาณชนทั่วไปอย่างสูงหมายเอาพระโยบุคคลเจ็ดจำพวกบนต้นถ้าาว่าจะมีคำถามว่าพระโยคาวจรผู้ทาความเพียรได้ฌานสมาบัติไม่มีจิตน้อมไปในกามารมจะจัดว่าท่านเป็นผู้บรรลุนิป ร, รยาิปรยาสุทธิได้หรือไม่อ่าเพราะเหตุไร อันนี้เราก็อตอบได้เลยว่ายังไม่ได้เพราะฌานสมาบัตยังเป็นของปุถุชนอยู่ยังมีการส่วมได้ในเมื่อวิสภาคารมมากระทบอันนึงนิปรยายสุทีนั้นท่านหมายเอาพระหัตผลและพระนิพพานเท่านั้นอันนี้ก็พูดถึงเรื่องอสุทีสองฉะนั้นถ้าจะมาสรุปสั้นๆ ให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนได้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคําว่าสุดทีอันนี้ก็หมายถึงว่าความโดยสุดหมดจดอความโดยสุดหมดจดในการฏปบัติทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะทางใจเพราะนั้นการฏปบัติทางกายทางวาจาทางใจนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราพูดง่ายๆในส่วนทางกายเราก็จะต้อง มีศีลก็คือว่าไม่ประพฤติผิดในเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์กักขังสัตว์ไม่อนำรงชีวิตด้วยการสั ม, มาชีพคือไม่ลักเขาไม่ขโมยเขาไม่จี้ปล้นฆ่าเขาหลอกลวงเขาแล้วก็ไม่ประพฤติผิดประเวณีในทางวาจาของเราก็จะต้อง ไม่พูดโดไม่พูดสเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อส่วนในทางจิตใจของเรานั้นก็ต้องไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทตองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทํานองคลองทมแต่ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีปัญญาเป็นเบื้องต้นสําคัญมากเพราะพระพุทธองค์ก็ได้ย้ําไว้เลยว่าปัญญายะไปสุทติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องปัญญาฉะนั้นปัญญานี่แหละพระพุทธองค์จึงยกย่องว่า เป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโล ก, กัสมิปัโชโตหรือว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีฉะนั้นความบริสุทธิ์ความหมดจดสะอาดนั้นจะต้องอด้วยปัญญาฉะนั้นความบริสุทธินี้สุทีนี้จึงแยกออกไปเป็นสองคือนิปรยายสุทธิก็คือหมดจดอย่างเอกทีก็คือหมดจดเป็นส่วนๆ น, นะเป็นส่วนๆอย่างเช่นพระยะบุคคล ยังวสดาบันก็หมดจดได้สามโดยการละสกยทิฏิวิจิกิจฉาสีพรพะตกเมรานาสแล้วก็สักทาคามีก็ละได้สามก็คือักกายทิฏิวิจิกิจฉาสีพรพะตะเปรานาส์พร้อมกับทําราคะโทวสะมโมหะให้เบาบางถ้านาคามีก็ละได้ห้าเพิ่มมาอีกสองก็คือเพิ่มการมราคะประปิตฆะเข้ามาาส่วนพระอรหันต์นั้นก็ละได้ทั้งสิบเลย ตั้งแต่สัก ก, ยกายะพิถิวิจิตริชากิรปะฏิปามาตตามาราคะปติคะโรปราคะอรูโราคะปามาณะอุทธะอวิชชาอย่างนี้พระอรหันต์ละได้ เ, เรียกว่าปริยายสุทธิส่วนนิปรยายสุทธินั้นเมื่อเอาพระอรหันต์อย่างเดียวพระอรหันต์อย่างเดียวละได้ก็ได้ชืี้ว่ า, าท่านได้ความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอะไรไปร้อยรัรดเรงจิตใจได้ เอาละการบรรยายเรื่องสุตติสองมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร